ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกำลังนําเสนอคาถาของพระสารีบุตรที่กล่าวไว้จำนวนมากมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังมาตามลำดับในข้อที่เก้าสตังกล่าวว่า เราไม่มีความปรารถนาเพื่อบุเพยในวาสานุติยานทิปักคุยานเจโตปริยาณอิทิบิจจตูปปัตยานทิปโสตยานอันเป็นธาตุบริสุทธ์มาก่อนเลยเป็นการเล่าถึงความรู้สึกในอดีตคือก่อนที่จะพบกับพระสัจจีเทระ คือการจะปรารถนาอะไรหรือไม่ปรารถนาอะไรเนี่ยคือเราต้องมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราปรารถนาเสีก่อนแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่เข้าใจคุณค่าของคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ท่านจึงไม่ได้ตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแต่พอได้สัมผัสโสดาปฏิผลเข้า ท่านก็มองหินคุณค่าแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามจากนั้นก็ได้บรรลุผลสูงสุดด้วยการเป็นพระหันคุณสมบัติเหล่านี้ของท่านก็มีความสมบูรณ์การเรียงนั้นเนื่องจากเป็นลักษณะของฉันทะลักคือท่านไม่ได้เรียงตามลำดับที่เราคุ้นคุน ท่านเรียงบทเพลงว่าสาติยานตยานที่ทำให้ระลึกชาติปางก่อนของตนได้และทิพจักขุคือตาทิพไม่ที่บางแห่งจะเรียกว่าอจุตูปปาตยานในกรณีของยานทั้งสามนั้นท่านเรียกว่าจุตูปปาตยานกยานที่รู้จักการจุติ และการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมเรียกปฏิปักษุก็เป็นการมองเห็นสิ่งที่ต้องการจะเห็นได้ตามความปรารถนาไม่ว่ารูปนั้นจะมีความประนีตยังไงก็ตามเจเโตปริยานรู้จักทายใจบุคคลอื่นหมายความมารู้ความคิด ของคนว่าในขณะนี้คนผู้นี้มีความคิดอย่างไรมีจิตใจเป็นอย่างไงประกอบด้วยราคะหรือไม่มีราคะประกอบด้วยโทสะหรือไม่มีโทสะประกอบด้วยโมหะหรือไม่มีโมหะประกอบด้วยความสงบหรือไม่สงบเป็นต้นคนเราเมื่อเข้าถึงจิตใจกันคือรู้ใจกัน ก็สามารถที่จะสื่อสารให้คนเหล่านั้นเข้าใจได้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษในการเพ่งมองผู้ฟังเขาเรียกว่าเอาผู้ฟังเป็นศูนย์กลางว่าบุติภาวะของผู้ฟังเป็นยังไงจะเข้าใจโดยวิธีใดแล้วก็ธรรมะเรื่องอะไรจะอธิบายโดยวิธีใด ก็จะศึกษารายละเอียดถึงภูมิหลังของท่านแล้วก็ธรรมะที่จะแสดงวิธีการในการอธิบายและผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมะแก่บุคคลเรานันในกรณีปฏิหารท่านเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจเช่นเดียวกัน อีท e ี่วิธีแสดงริบด้วยกายนะฮะอีท e ี่วิธีนั้นเป็นการกระทําด้วยกายเป็นการเลื่อนลอยไปในอากาศการเดินไปบนพื้นน้ําการแทรกลงไปในแผ่นดินการแทรกเข้าไปในภูเขาเป็นต้นตลอดถึงการเดินจงกรมอยู่บนอากาศอันนี้เป็นการแสดงริบ โดยใช้แนวของกสิณหมายความว่าท่านจเจริญกรรมาฐานประเภทกสิณมาก่อนจนมีความชำนิชำนาญแล้วก็สามารถอธิษฐานกสิณหนึ่งให้เป็นกสิณหนึ่งได้ถ้าสมมติว่าท่านเดินบนน้ําเนี่ยก็แสดงว่าที่ฐานให้น้ํามีฐานะเป็นดินในจุดที่ท่านเหยียบเวลาท่านเหยียบสมมติ ท, ท่านมันก็เป็นดิน แล้คนอื่นไปเหยียบมันก็ไม่ได้นะคือหมายความว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลผู้นั้นจุตูปาปายานการรู้จักการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมตอนนี้ท่านทำท่านนำมาไว้ทั้งทิพะจักสุปแล้วก็ทั้งจุตูปาปาตยานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะอยู่คนละที่กัน เรียกได้ว่ามีคุณนะสมบัติเหมือนกันแต่ที่ประโซหูทิพย์คือสามารถกำหนดจิตที่จะฟังเสียงระดับต่างๆคือจะเป็นเสียงทิ่เป็นเสียงมนุษย์เป็นเสียงหยาเป็นเสียงละเอียดเป็นเสียงไกลเป็นเสียงใกล้เป็นเสียงเบาเป็นเสียงหนักอะไรต่างๆต่า ง, า ง, า ง, างๆท่านจะได้ยินตามที่ต้องการจะได้ยิน ตัวนี้ถือว่าเป็นธาตุที่บริสุทธิ์มาบามาเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสงบระงับของกิเลสตั้งแต่ระดับปัญญาที่เป็นโล ก, กิยาขึ้นไปจนถึงเป็นพระหันประเภทมีคุณสมบัติพิเศษมีวิชาสามมีปัญญาหกมีปฏิสัมพิทาสีคุณสมบัติเหล่านี้ ตลอดถึงพวกที่มีวิชาแปดนะครับมีวิชาแปดทีนี้แต่คุณธรรมทั้งหมดที่ได้มีแก่เราเพร้อมกับการบรรลุผลเหมือนคุณธรรมคือประสัพพัญญุตยานได้มีแก่พระพุทธเจ้าฉะนั้นหมายความว่าในลักษณะโครงสร้างนีเหมือนกันคือคุณสมบัติเหล่านี้คุณสมบัติที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ย มันมากับการบรรลุอริยผลก็คล้ายๆกับเราเปิดไฟในที่มืดต้องการจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอไฟสว่างความมืดมันหายไปเนี่ยสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏว่ามีเยอะเลยแต่ก็เห็นพร้อมกับการเกิดขึ้นของแสงสว่างและการหายไปของความมืดนั่นเอง การบรรลุอริยผลจึงมีผลพลอยได้ที่ติดตามมาอีกเป็นนั้นมากเราจะเห็นว่าเนื้อหาสาระจริงๆท่านก็ต้องการจะดับกิเลสนะคและต้องการจะดับกิเลสแต่พอกิเลสดับนี่ไอ้สิ่งที่สืบเนื่องมาจากการดับกิเลสมันมีอีกเยอะเลยกลายเป็นคุณสมบัติพิเศษท่านจะต้องการหรือไม่ต้องการไม่ใช่ประเด็นหรอก ประมาณเป็นกฎธรรมชาติเข้ามันมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นแหละก็ทํานองคล้ายๆกับเราปลูกต้นไม้แม้เราไม่ต้องการผลถ้าเป็นไม้ผลมันก็ต้องเกิดผลมันไม่อยู่ที่เราต้องการหรือไม่ต้องการแต่มันอยู่ที่ชนิดของต้นไม้เหล่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ประเภทมีผลไม่ผล แกก็ออกดอกออกผลไปตามธรรมชาติของแกเราจะตั้งใจตั้งหรือไม่ตั้งใจปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็เป็นของมันอย่างนั้นทีนี้การเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนพระสัพพัญญุตญาณหมายความพระพุทธเจ้าเองก็ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยการทําตนให้หลุดพ้นจากอานาจของกิเลส แต่พกิเลสมันหมดไปด้วยการบรรลุอาสวัคยานี่สิ่งที่ตามมามันยุยแยะไปหมดเคุณสมบัติของโปรงแม้เกากลุ่มเป็นพวกปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเนี่ยปัญญาก็มหาศาลบริสุทธิ์ก็มหาศาลกรุณาก็ยิ่งมหาศาลเลอธิบายกันไม่ไหวไม่ไหวแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมนาะ เราทำนอนคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆปลูกต้นไม้อีกนั่นแหละคือไมความมาตอนหลบปลูกเนี่ยที่จริงมันก็ต้นเล็กนิดเดียวแต่ถึงจุดหนึ่งมันเป็นผลพลอยได้มีผลพลอยได้เมื่อต้นไม้ออกดอกออกผลไปแล้วมันก็มีใบที่ร่วงหล่นลงมามีผลมีดอกมีอะไรที่เป็นผลพลอยได้มีร่มเงามีกิง่ง ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอน่นดีอดีกเป็นอันมากจากต้นไม้ต้นนั้นแหละต้นที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆของพืชชนิดนั้นต่อไปเป็นคาถาที่บางข้อเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับการเล่าหรือการเล่าของพระตถาจารย์ บางข้อก็เป็นการบอกกล่าวของพระสารีบุตรเทราเองอันนี้เราจับความได้นะคือจับความได้จากประโยคแต่ละประโยคนยีข้อที่เ้าร้อยเ้าสิบเจ็ดบอกมียักษ์ตนหนึ่งมากล่าวว่ามีภิกษุผัวโลนรูปหนึ่งชื่อปติสัะเป็นพระเทราผู้สูงสุดทางปัญญา โมภาดสังกตินั่งข้าวชานอยู่ที่โคตไม้คืนนี้เป็นเรื่องราวคราวหนึ่งภาษาดิบุตรท่านนั่งสมาธิหรือข้าสมาบัติอยู่ในที่กลางแจ้งก็หลังบอลโกนนะฮะคือหมายความมาปรงุงผมใหม่ แล้วกระโตกกระแสงนันมันก็สะท้อนเป็นเงาออกมามียักษ์ตัวหนึ่งที่ว่นนันทยากนนันทกะยักษ์นันทกะยักษ์เวรนก้าก็นึกอยากจะทดลองอะไรก็ไม่รู้ก็ตีพระสารีบุตรด้วยค้อนแตนก็ยังนั่งเฉยอยู่นั่นะ ก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรแต่วันในที่สุดนันทาาากยักษ์ก็ถูกทรณิษูปไปเพราะว่าไปประทุษร้ายต่อพระหันที่อยู่ในนิโรธสมาบัติบาปมากนะฮะแต่ถ้าทำบุญกับท่านก็บุญมากเหมือนกันก็เรียกว่ามีคุณนั้นแล้วก็มีโทษปหัน ก็เป็นกาบอดเล่าคือยักษ์ก็กล่าวอย่างนั้นคือตามปกติตอนพระสาริบุตรบวชแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เรียกอุปติสสะก็เรียกสาริบุตรพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันก็ไม่ค่อยเรียกเรื่องโกลิตตะแต่จะเรียกว่าโมคคัลลานะหรือมหาโมคคัลลานะคือเป็นเป็นชื่อของแม่นะ โมคลานาก็คือลูกของนางโมคลีสารีบุตรก็คือลูกของนางสารีข้อที่คือคนที่อยู่ในฌานสมบัติเนี่ยใครทำอะไรไม่ได้นะฮะมายคว้ามาให้ภูเขาถล่มทลายลงมาทับของท่านแต่ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะอานาจของฌานสมบัติเนี่ยมันคุ้มครองไว้ ก็ได้นอนแล้วอาจจะจมไปลงบนดินในดินได้แต่ว่าพอท่านออกจากสมบัติท่านก็ออกมาได้ธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นมันเป็นคุณชี้ยิ่งใหญ่ของท่านที่ได้สมบัติแปดประการนคนที่มีคุณยิ่งใหญ่อย่างนี้ถ้าใครไป แสดงความเคารพนับถือก็มีผลมีอานิสงส์มากแต่ถ้าไปประทุษร้ายก็จะเกิดบาปมากนันทกาักจ์ก็ประสบวิบากกรรมนะครับนั้นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกทรณีสูบคนที่ถูกทรณีสูบเนี่ยถูกแผ่นดินสูบนะครับก็มี พระเทวทัตประตุสรายต่อพระพุทธเจ้าหลายครั้งพระเจ้าสุปปุทธะประทุษรายต่อพระพุทธเจ้านานจินจะมนวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้านันทามานุปข่มขืนพระอุบลบรรณาเทรีแล้วก็นันทกายักษ์เนี่ยเราขอ ด, ดีหัวระสาบบุตรในนิโรธสมาบัต พวกนี้ห้าคนนี่ถูกทรหศนสุกหมดก็ตกสู่อเวจีมานรกก็บาปจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทาประการสะสมบาปนั้นจะนำมาแต่ความทุกข์ทันมันเป็นช่วงวูบของการตัดสินใจอย่างนั้นตะกายักนี่เราเห็นว่าพูดภาษาชาบาทก็เรียมทะลึง วันนึกมันอะไรกันเห็นหัวพระไสอยู่ก็น้าตีดีน้าตีน่าทดลองดูดีเป็นความคึกขนองเป็นการตีโดยการคึกขนองของตัวเองความสดุกสนานกับสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่าแปลกนีพระองค์หนึ่งนั่งอยู่กลางกลางคืนท่ามกลางแสงจันทร์สว่างจ้า ไม่กระดุกกระดิกกรเดีอะไรเลยเลยก็ทดสอบทดสอบแรงไปหน่อยเอากับผระนเนินเหล็กนะคล้องเหล็กด้วยไอค อ, อนเหล็กด้วยแล้วก็ตัวเองก็ตกนรกไปข้อต่อไปท่านบอกว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้าวทุติยชานเป็นต้นที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ ชื่อว่าประกอบด้วยความเป็นผู้นิ่งอย่างประเสริฐโดยแท้จริงคือานสี่นี่รูปฌานสี่เนี่ยปฐมฌานมันยังมีวิตกิจานยังมีความคิดการคิดนิพิจณ า, าอยู่แต่ว่าสิ่งที่คิดที่พิจณ า, านั้นเป็นกุศลทนันทีพอมาถึงตุวเยฌานในวิตกุจานมันดับ มันยังเหลือแต่ปีติสุขกับเอกกตตาและจากนั้นปีติก็ดับเหลือสุขกับเอกกตตาจากนั้นแม้สุขกระดับยังเหลือถึงเบคากับเอกะกตตาผลจากนี้เป็นต้นไปจากทุติยชาตเป็นต้นไปเนี่ยท่านบอกว่าประกอบด้วยความเป็นผู้นิ่งเป็นนิ่งอย่างประเสริฐที่แท้จริงคือแม้ตัวแม้ความคิดถวนตัวเองก็ไม่คิด คิดในเรื่องกุศลนั่นแหละแต่ไม่ได้คิดคือหยุดตัวความคิดด้วยตามปกติแล้วคนเราก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่โดยผลแห่งฌานที่ท่านได้เข้าฌานเนี่ยก็ทำให้ท่านไม่ได้คิดเป็นผู้นิ่งอย่างประเสริฐข้อเก้าร้อยเก้าสิบบอกว่าภูเขาศิลาล้วนไม่หวั่นไหวตั้งอยู่มั่นคงดี ในชันใดภิกษูกัจจานั้นย่อมไม่หวั่นไหวดุจบรรพศเพราะสิ้นโมหะคือเราจะเห็นว่าราคะโลภโทสะนี่มันมาจากโมหะแต่เราไม่มีโมหะเนี่ยเราก็ไม่โทสะเราก็ไม่โทสะเราก็ไม่ราคะเราก็ไม่โลภที่เราโลภอยากได้เนี่ย พอถามไปถามไปถามไปถามไปเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ว่าโลกไปทําอะไรเอาไปทําอะไรบันที ก, โกนะ็โลกแรงแรงนะฮะโลกแรงแรงอย่างพวกปัญหาจะดิบกล้าปัญญาน้อยเนี่ยโลกขนาดจิมกินบ้านกินเมืองกินป่ากินข้าวกินทะเลนะกินต้นน้ําลําทานรอะไร ต, ต่างๆสารพัดเลยสร้างบาปกรรมแก่มนุษย์ชาตินะเพราะว่า โลกนี้ยังไงมันก็ทกกระเทืนถึงกันอย่างภาะวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเวลานี้และเกิดขึ้นจะแรงมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปนี่มันก็สืบเนื่องมาจากความโลภที่ไม่มีจุดจํากัดของคนเหล่อนั้นของคนบางพวกนะฮะของคนบางพวกก็อาศัยความโลภ แต่ถ้าเรามาวิเคระห์ด้วยปัญญาและถามมาคุณจะเอาไปไหนล่ะคุณจะครอบครองมันได้สักกี่ปีทั้งป่าทั้งเขา ต, ต้นน้ําลําทานรอะไรต่า ง, างๆเนี่ยราก็ครอบครองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราเราก็มายึดมั่นถือมั่นทําบาปทํากรรมไปเพื่อการได้มาเพื่อถือครองเพื่อตอ่อสู้เพื่อปราดประหารกัน บางคราวบางคราวก็ต้องมีการฆ่าคนทำลายคนไปเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ครอบครองแต่ผลสุดท้ายตัวเองครอบครองจริงๆก็คือครอบครองบาปครอบครองความผิดกฎหมายครอบครองบาปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นตัวเองก็ต้องิริงไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้แั้ก็สแสดงว่าพอปัญญามันเกิดเนี่ยโมหามัน มันทำลายโมหะคือโมหะมันลดเมื่อลดเนี่ยโลภมันก็ลดโลภมันลดโลกรก็ลดโลกรก็ลดแล้วลงไอ้ไอ้ราคาก็ลดความโกรธก็เหมือนกันแหละพึงสังเกตถว่าความโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ชัดเจนว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะทําไมเธอถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนที่ทําให้เราโกรธจะเป็นคนดี่น่าสงสาร แทนที่จะเป็นคนที่น่าเกลียดเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารเพราะปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์ว่าน่าสงสารที่เขาต้องถูกกิเลสสนทภายต้องรับใช้ต้องตอบสนองงานของกิเลสขาดความไม่นตัวของตัวเองแต่เขามีความเป็นตัวของตัวเองก็คงไม่โกรธจากนั้นหรอกแต่เพราะเขาคุมตัวเองไม่ได้ กิเลสจึงสนตะภายบังคับผลักใส่สึกใสให้เป็นไปให้ประพฤติให้กระทาไม่พูดให้คิดไปตามอำนาจของโทษสัตเมื่อเราสงสารแล้วเราก็ไม่รู้จะโกรธเขาได้ยังไงนะคนที่เราสงสารเราก็โกรธไม่ได้แล้วอาจจะขวนขวายคิดช่วยเหลือเขาเพื่อบันเทาโทษ บรรเทาความรุนแรงที่เขาจะกระทำลงไปนั้นปนัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่โมหะ ห, หมายความมาตราบใดที่เรายัางละโมหะไม่ได้คนเราก็จะต้องวันไหวไปกับอารมณ์ทัางหร่เพราะเราจะเห็นว่าอุปมาตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดว่าภูเขาศิลาแล้ว ล้วนย่อมไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่คงที่แม้ชันไดภิกษุก็ฉันนั้นคือใครก็ตามนะฮมคาภิกษุก็ฉันนั้นหมายความมาพูดกับภิกษุย่อมไม่หวั่นไหวดุดัรพตเพราะสิน้นโมหะภูเขาสิลาแท่งทึบเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วจากลมฝนที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ อยู่อย่างนั้นมาตลอดการยาวนานได้เกินก็เกิดมาแล้วกี่ปีก็ไม่รู้นะจะทําลายไปเมื่ออีกกี่ปีก็ไม่รู้แต่ ว, ว่าสรุปแล้วว่านานกันเป็นล้านล้านปีแ่ะจิตใจของคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าสามารถขจัดโมหะได้ก็จะไม่หวั่นไปไปด้วยอำนาจของความรักความชัง ด้วยความยินดียินได้ น, ะนะี่ยนะคือจะไม่หวั่นไหวไปกับอำนาจของอารมณ์โลกนั้นอารมณ์โลกเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเนะี่ยแต่เพราะเรามีโมหะให้เราสังเกตตัวเด็กที่แกมีโมหะเด็กที่ยังไร้เดียงสาเนะี่จับโต้นแกจับนี่แกทดลองไปเรื่อยแล้วถ้าแกรู้จักแล้วเนี่ยถึงยุตหนึ่งแกก็เลิก แกรู้จักชัดเจนถึงโทษถึงคุณของมันแล้วแกก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นท่านั้นเพราะนันถ้าเราลองดูชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันไอ้สิ่งที่เราเคยหลงไหลคลังคล้ายเราเพราะไม่รู้นะรักหวงกลวงด้วยประการต่างๆปัจจุบันไม่สนใจเลย เพราะเรารู้ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นถ้ามันเกิดหายไปเกิดแตกทำลายไปเกิดศูนย์ศูนย์เสียไปมันก็ธรรมดาก็จะรู้สึกเป็นธรรมดาไม่ต้องรู้ตัวอย่างอะไรมากๆเราตัวอย่างเช่นเวียนเนี้ยมีโรคมะเร็ง ก็ระยะสองสาปีมานี้ก็มีญาติเป็นมะเร็งกันอยู่หลายคนก็อาไมาเองไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันมีหายกับตายเท่นั้นเองเราก็ทำใจไว้ทั้งสองอย่างแต่เขาตายบอกว่ามันก็เพลิดเป็นมะเร็งที่แรงหรือถ้าหายก็บอกว่าเป็นระยะต้น แต่ว่าทําให้คนเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทพอดีวันหนึ่งคนมีศัก์เป็นลูกผู้น้องตายดื่มมะเร็งรุ่งเช้าขึ้นก็มีศักด์เป็นลูกผู้น้องเหมือนกันแต่ว่าเป็นสะพายนะก็เป็นมะเร็งเหมือนกันญาติบางคนเขาก็วิตกกัวงวลห่วงใญ่กันแล้วก็บอกว่าจะว่าอะไร ก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นกันต่างหลายคนเป็นมะเร็งกันหลายคนที่มีหายก็มีที่ตายก็มีก็ธรรมดาอย่างนั้นในโรคอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถึงกระขั้นข้าโรงพยาบานไม่หายก็ตายแลมีสองอย่างแต่นั้นเองก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมัเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเราจะบงการให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้หรอก เพราะนั้นเขาเป็นเราก็ไม่หวั่นไหวอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยแต่เราไม่ใช่หมอเนี่นะจะไปรักษาโรคมะเร็งได้อะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันเป็นงาบาใจเยี่ยมเย็ยนตามข่าวสารทุกสุขไไดีอะไรก็ได้แต่ว่าจะไม่ไปแบกไม่ไปหามอารมณ์เ่าดันเอาไว้ไม่ใช่มานอนมือกายหน้าผากไว้ตกกลงวล อยากพี่น้องเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เป็นโรคโน้นชีวิตมันมีอย่างนี้เป็นธรรมดาผาการที่เราหวั่นไหวกล่าวโดยสรุปก็คือเราไม่รู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงเพราะมากไปด้โมฆะคือความเคลานั่นเอง แต่วันใดที่เราเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมานี่อาการหวั่นไหวนี่ก็จะลดลงไปโดยธรรมชาติของมันเหมือนกับภูเขาที่ไม่สั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ฉะนั้นข้อที่ 1, หนึ่งพันสบัผู้ที่ไม่มีกิเลสเพื่องยียวน ปูแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิดความชั่วแม้มีประมาณเท่าปลายขนทายก็ปรากฏเหมือนประมาณเท่าก้อนเนกหมายความว่าคนที่ละเอียดอ่อนไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยีวยวนต่างๆพวงเครื่องยีวยวนก็ส่วนใหญ่ก็ กระตุนพวกราคาโลพะนะพวกกระตุนราคาโลพะแล้วก็ไม่มีจิตใจมันใยสะอาดรักสะอาดรังเกียจแม้แต่จะคิดที่เป็นบาปไปพูดบาปทำบาปกำแรงเกินไปแต่ว่าแม้จะคิดบาปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ควรไม่ควรที่จะคิดคนเช่นเราไม่ควรคิดอย่างนี้ คิดจะฆ่าคิดจะรักคิดจะล่วงละเมิดคิดจะโกหกคิดอะไ ร, ต, ออะไรต่างๆมันแสดงว่าจิตใจมันไม่สะอาดทีนี้ท่านเหล่านี้ท่านไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยี่ยวนจึงพยายามจะแสวงหาความสะอาดสอากายสะอาดวิจาสะอาดใจนะแต่เรียกตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่า สว่างสะอาดสงบถ้าเรียกตามอริมยมรรคปิ อ, องแปดถ้าเรียกตามอาิยมรรคปิองแปดก็เรียกว่าสว่างสะอาดสงบถ้าเรียกตามศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าสะอาดสงบสว่างก็หมายความว่าปลอดจากกิเลสเครื่องยี่ยว น, ยน้อยที่สุดก็ข่มความรู้สึกเหล่า น, นั้นลงไปได้ ผลพวกนี้มันเหมือนกับผ้าขาวสะอาดมันเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์มีอะไรนิดหน่อยนี่ตกลงไปก็เสียความสวยงามแล้วในความรู้สึกของท่านเป็นรุ่งใหญ่มากในคขนทรายเนี่ยก็ไม่ทราบอะไรนะฮะขนทรายนี่คาดใจว่าเป็นขนสะเนื้อทรายนะ่าจะเป็นเนื้อทรายนะ ก็คนมันคงจะเล็กกว่าแถวแถวพวกพนแพะคนแกะพวกนี้นะฮะตัวเนื้นะนอทายตัวก็ไม่ใหญ่มันก็เล็กๆส้นเล็กๆแต่ว่าสําหรับคนที่รักความสวยงามและความสะอาดแล้วแม้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนก้อนเมฆเลยใหญ่มากๆ คือจิตใจที่รังเกียจบาปเป็นจิตใจที่ละเมียดละไมแม้จะตักอาหารแม้จะเคี่ยวอาหารแม้จะพูด จ, จารในขณะที่รับประทานอาหารจะทํำยังไงอะไรแต่อะไ ร, ะไ ร, ะไรต่างๆมันจะมันละเมิดละไมไปไปหมดเป็นความสวยงามไปหมดพออะไรไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยจะรู้สึกเสียใจตีตันยกตัวอย่างอะไรล่ะจามรี จามรีเนี่ยเขาบอกว่ารักขนหางนี่สุดชีวิตเลยที่พวงหางเขานะฮะที่กลายมาเป็นแท่จามรีเป็นเรื่องราชูประโภคประการเนี่ยเวลาสัตว์ร้ายไล่ลา่ลาแก่แ ก, แกวิ่งหนีถ้าหางไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เกี่ยวกับน้าแหลมเกี่ยวกับอะไรอยู่เนี่ยแกหยุดวิ่งเลยต้องค่อยๆแกะหางออกมาก่อน จึงจะวิ่งต่อถ้าจะตรูจะมาฆ่าทำลายแก่แกก็ยินดีที่จะตายแต่จะไม่ยอมไม่คนหางแก่ถูกทำลายเป็นตัวอย่างที่พระเจ้าทรงยกมานะบุคคลพึงรักษาความดีตั้งศีลสมาธิปัญญานะเหมือนกระจามารีราาักษาสาหางเหมือนนอกต้อยจีวิตรักษาฟองไข่ ตัวตีวิทย์นะเขาเรียกว่าชื่ อ, อไรนกบูนไท่นะฮะแกนอนหงายแล้วยกมือยกเท้าชี้ฟ้าพระอาจารย์อธิบายว่ามันต้องการรักษาฟองไข่คือนอนหงายอยู่เหนือฟองไข่แล้วก็ยกเท้าชี้ฟ้าไปอาจารบอกว่ามันกลัววกฟ้าจะถล่มลงมาทับฟองไข่ของมัน ก็ป้องกันไว้ด้วยชีวิตหมายความว่าถ้าฟ้าถาล่มลง ม, มาถูกฟองไข่มันก็ยอมตายก่อนแต่ฟองไข่ดำรงอยู่กานก็อุตสาห์เข้าใจนะฮะแต่ที่จริงอาจจะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของนกก็ได้แตกก่การมองการพยายามหาเป็นตัวอย่างอุปมาเทียบเคียงในการอธิบายก็ทำให้เราได้บทเรียนจากคนสัตว์สิ่งแวดลออ้อมเขาอ ที่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆอันนี้ก็คือจิตที่ดังเกียจบาปแต่ว่าที่ทำได้อย่างนี้อย่าลืมว่าภายในใจต้องไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยีหยวนแต่มีกิเลสเป็นเครื่องยีหยวนแล้วก็ยากกันนะฮะต้องต่อสู้ต้องขับเคี่ยวต้องหกลม้มหกลุกกันไปพอสมควรทีเดียวจะหน้าบ้างแพ้บ้าง คนกว่าจะประสบชัยชนะในที่สุดข้อที่พันหนึ่งบอกว่าเราไม่ยินดีความตายทั้งไม่ยินดีความเป็นอยู่แต่เป็นผู้มีสติสมัญญะละทิ้งร่างกายนี้ไปหมายความพระหารนั้นไม่ท่านท่านไม่มีตัณหา คีอความอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นอาการของการมาตนาค่ะเพ ว, วาตัณหามันก็ไม่มีเพราฉันจะถามมาท่านอยากตายไหมอยากก็ไม่อยากตายก็อยากอยู่ไหมก็ไม่ได้อยากอยู่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เขาเกิดเนี่ยมันก็คือต้องเกิดเพียงแต่ว่าพยายามอยู่อย่างมีสติสัมบัชชนจะ๊ะ คือท่านสมบูรณ์ด้วยสติสมัมปจนญะก็เรียกสติวิปุลโลคือภัยบูนด้วยสติเพราะนั้นประเด็นที่น่ามองก็คือว่าคนเรายังไงยังไงก็พยายามฝึกปรือสติสมัมปจนญะเอาไว้สติสมัมปจญยะความเพียรนะฮะสามอย่างเนี่ยก็เรียกว่าตายอย่างมีสติจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งดีงามทั้งหลาย ยังไม่มีอะไรก็ดูลมหายใจเขา้าแล้วก็นึกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลต่างๆเอาไว้ตายังมีสติสัมปชัญญะก็เป็นการตายด้วยด้วยธรรมะเป็นเครื่องคุ้มใจจิตใจก็ผ่องใสผ่องใสก็ไปบังเกิดในสุกติก็เป็นกระบวนการทางจิตอีกนั่นแหละ นี่เราจะเห็นว่าคำแต่ละคาแต่ละบทนะฮะคาถาแต่ละบทที่พระเถระท่านได้กล่าวไว้ก็เหมือนกับในที่อื่นๆพวกคาถาทั้งหลายพวกเครือคาถาทั้งหลายอันนี้ก็คาถานะฮะก็เรียกเถระคาถ า, าเป็นคำสั้นๆคือพระพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ไม่ยาวมันสามารถจะตัดคำมา อย่างคัมภีคัมภีเบเบินเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะมีตัวอักษรนำหรือจะสองบรรทัดนะฮะอสองบรรทัดจะมีตัวอักษรนำอยู่แต่ว่าข้อความบางทีมันกินไม่หมดในสองบรรทัดนั้นนะต้องไปสามสี่ห้าบรรทัดไปแลือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงจึงมีตัวอักษรกากับอย่างนั้นแต่โบราณเป็นอย่างนั้นนะฮะ คือโบราณไปอย่างนั้นคำพีอังกุรานเขาก็มีตัวอักษรกํากับตัวตัวเลขนะฮะตัวเลขกํากับของพระพุทธศาสนาก็มีตัวเลขกํากับแต่ของเราเนี่กํากับไว้ตรงไหนกี่บรรทัดสองบรรทัดก็ได้บรรทัดเดียวก็ได้นะแต่ในภาคของการมีบัตรนุยขั น, นสมบูรณ์มันจะเข้าสู่กระบวนการของธรรมะ อย่างนี้บางทีท่านก็กล่าวว่าสติสัปปสัปติยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงเท่านั้นนะฮะมีข้อความเขาเรียกว่าบทเดียวแต่เมื่อเราจเจริญสติจะเรินสัมปชัญญะมีความเพียรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจิตนำพาจิตไปสู่ความสงบเราก็เกิดผลได้ในระดับต่างๆจนถึงระดับสมบูรณ์ เพราะันข้อความแต่ละบทเนี่ยเาเสร็จเสร็จในเรื่องของข่าหมายความเอาไปปฏิบัติได้เลยมันเหมือนกับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานนั้นจากการสังเกตในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเกื้อลงกรรมฐานมันไม่ได้มากมายไกลกองอะไรนักหนาเลฮะ แต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าต้องการผลสำริดที่มันมันเฉียบพลันเลยทรงวางกรรมฐานให้ภิกษุทีละข้อทีละข้อทีละข้อข้อละองค์ข้อละองนะฮะข้อละองข้อละองค์แล้วก็ทรงท่านเหล่านั้นไปเจริญกรรมฐานในป่าก็นั่งใกล้ใกล้กันนั่นแหละแต่ว่าต่างคนต่างมีอารมณ์อยู่กับกรรมฐานไม่สูงสิงไม่พูดจาไม่ซักถามอะไรกัน แต่คต่างก็พยายามทําหน้าที่ของตนให้สำเร็จวันเราจะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยมันมันจะมีถึงห้ารอยกรรมฐานถ้าห้าร้อยก็แสดงว่ามีรูปแบบอยู่ห้าร้อยมันต่างกันในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่มันก็ลงกันในเชิงที่เป็นเนื้อหาก็คือทุกข้อนั้นจะต้องทําโดยสติสัมปชัญญะและความเพียรจะใช้ อ, อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่บ้าอะไร บริการบางทีบ ah, ริกรรมอัติอ <ä. S 2> ัติอัติอัติแปลว่ากระดูกกระดูกกระดูกกระดูกดินดินดินดินดินน้ำน้ำน้ำน้ำหลุมหลุลุไฟไฟไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งของสติถ้ามันเป็นที่ตั้งของสติแล้วก็จะนําจิตเดินทางเข้าไปสู่ความสงบโดยลําดับแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยกระบวนการของธรรมะที่ว่ากุศลแธรรมุบังเกิดขึ้น ข้อใดข้อหนึ่งเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นเดี๋ยวบังเกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูดมากขึ้นขึ้นเหตุนั้นควรกระทำบําเพ็ญให้บังเกิดเพิ่มพูดมากขึ้นมันก็แสดงให้เห็นว่าก็เรามีความชัดเจนว่าเออกรอบตรงเนี้ยเสร็จแล้วนะยกไปได้ทั้งกระบี่เลยบรรทัดเดียวก็มีสองบรรทัดก็มีสอบรรทัดครึ่งก็มีนะ อย่างของภาษาดิบุตรนี่ตามปกติแล้วจะไม่ค่อยเกินสามบรรทัดไม่ค่อยเกินสามบรรทัดต่อขอเนี่ยบางทีก็อาจจะถึงสี่แต่ก็ไม่เต็มสี่สามก็กว่าหรือว่าสี่กว่ากว่าแต่ไม่ยาวนะถ้าสรุปแล้วอ่ะแต่ไม่ยาวคือเรื่องมางเรื่องมันเป็นอุปมาอุปไมยแต่นั้นเอง เป็นอปปาอุปไมยมาหลายอย่างหลายวิธีนั่นก็เป็นตัวอย่างเป็นสื่อที่ทําให้บุคคลได้ใช้จินตนาการคิดต่อจากสิ่งเหล่านั้นไปแต่ว่าองค์ธรรมก็ไม่ได้มากอย่างเนี้ยในกรณีที่กล่าวมาแล้วถึงว่าปิสูที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยียวนยวนยีเนี่ยเราจะระเงห้าเราจะเห็นว่า ถ้ามันอยู่ตรงนี้ได้โดยอัตโนมัติของท่านก็คือจะต้องแสวงหาไอ้ความสะอาดความสงบความสว่างอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะว่ากิเลสไม่รบกวนใจไม่ปิดกั้นจิต ใ, ใจของท่านและในขณะที่แสวงหาถ้าท่านไปเจอกับไอ้ ก, กิเลสอะไรสักนิดนึ่งจุดดำเพียงเล็กๆนี่มันเกิดขึ้นที่ภ้าขาบริสุทธิ์นี่มันเสียเรื่องไง เสียความรู้สึกไปเลยแต่ทางที่จุดดํามาเกิดที่ผ้าดําเราก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะเจิดเยอะเราไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าผ้าดําไปจุดดําไปเกิดที่ผ้าขาวเนี่ยมันจะทําคุณค่าของผ้าขาวไต้ตกตามลงไปแต่นั้นตรงอื่นเราจะเห็นว่าก็เป็นอุปมาความชั่วแม้มีประมาณเท่าปลายขนทรา ย, ายก็ปรากฏเป็นเหมือนประมาณเท่าก้อนเมฆ เป็นความรู้สึกสมัครคนซึ่งไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยนต์ดีที่แสวงหาความสะอาดสงบสว่างอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ยหรือว่าเราไม่ยินดีความตายทั้งไม่ยินดีความเป็นอยู่หมายความว่าความตายก็ธรรมดาความเป็นอยู่ก็ธรรมดานะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความตายก็ดับไปความอยู่ก็ดำรงอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นกระบวนการก็มันจะบินดียินร้ายอะไรมันตัวเหตุมันเกิดแล้วเราเกิดมาแล้วอ่ะเราเกิดมาแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความีชีวิตยอยู่ก็คือตั้งอยู่การตายก็คือดับไปต่อไปมันจะเมื่อไร่ท่านนั้นเองแต่อย่างพระสารีบุตรนี่ที่จริงท่านรู้นะฮะท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานเมื่อไหร่แต่ว่า ทำให้เห็นว่าจิตใจของท่านเนี่ยจิตใจของท่านนั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุวนยีจึงไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับการตั้งอยู่หรือว่าการดับไปเพราะว่าจริงๆเป็นภารกิจในการดำรงสังขารเอาไว้ก็เป็นการอนุเคราะห์ต่อโลกท่านนั้นเอง เพราะว่าความจะเป็นในการเสริมสร้างบา ร, รมีเนี่ยมันไม่มีแล้วมันจบแล้วสมบูรณ์แล้วต่อไปก็อยู่เพื่อเป็นที่พึ่งของคนเดียวทำประโยชน์แก่บุคคลเดียเสรษกิจในส่วนของตัวเองแต่ว่ามีกิจที่เราจะต้องทำต่อมนุษยชาติในฐานะที่เป็นเพื่อนเริ่มทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่ก็ เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อมาอย่างเนี้ยแต่ก็ยังอีกหลายข้อนะยัอีกหลายข้ออยู่เรื่องพระสารีบุตรที่จริงยังมีในที่ต่างเยอะนะถ้ า, าว่าเราไปเอามาจากเขียนเอามาจากพระธรรมบทเอามาจากพระสูตรต่างๆเนี่ยโอ้ก็ว่ากันเป็นปี ๆ, ๆละเรื่องท่านมากคือผลงานเนี่ยรองจากพระพุทธเจา้าเลย อนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครมีผลงานที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันเท่ากับพระสารีบุตรสมัยพระอรหันยุคนั้นนะฮะแต่ว่าในยุคหลังมันก็มีพระอาจารย์ที่มีผลงานมากๆบางท่านก็มีผลงานมากเช่นพระพุทธโคสัจจานอย่างเงี้ยท่านนั้นก็มีผลงานมากท่านพระอนุรุทธาจารย์มีผลงานมาก บางองค์ก็ไม่ค่อยมากเท่าไรแต่สรุปว่ามีผลงานที่สืบอต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มากหรอกแต่ว่ามันมีหลักมีฐานมีความถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ตามหลักที่พระเจ้าส่งสั่งสอนเอาไว้ต้องฟังแต่ไหนเสียงธรรมจากมหาวิจัยศีวทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี